ความหลงอยู่ที่ไหนเราเพียงกลับเข้ามาดูจิตดูใจของหลงก็จะเห็นทําลายความโกรธความโลภความหลงได้เองนี่เป็นคําสอนของหลวงพ่อเทียนไม่ใช่คําสอนของผมทําตามนี้ก็จบพระบ้าครับอาจารย์หลงพ่อพระบ้าครับพระบ้าพระบ้าคนบ้าน เดี๋ยวเราไปดูไปดูนี้คืมีระเบียบนะนราจะอะยิ่งไปเอาระเบียบนั้นก็ยิ่งกันใหญ่ต้องไม่เอาอะไรต้องว่าคนบ้าไม่เข้าหังของแต่หลังขอ้าข้าไปเอาผิดไปเอาถูกไปเอาระเบียบนั้นเมือนกฎหมายารที่มีระเบียบย่าหยุดพี่ออสก่อนมาเคลียร์หน่อยครับเอาลงมาข้างล่างนะ เวลาท่านลุกมก่อนเพราี ch ế ch ế ่เวลาเท่ห์นเวลาราหรอะไรควรไม่ควรื่อันเอาไปผมนั่งเฉยๆแล้วผมนั่งฟังหลวงพ่อได้ไได้ผมนั่งฟังหลวงพ่อเยครับผมนั่งฟังเยๆแล้วนั่งฟังหลวงพ่อเยๆแล้วไม่พูดแล้วนั่งฟังเฉยๆแล้วหลวงพ่อได้ไขอฟังทด้วยเาว่าขอฟังด้วยกนแล้วกันไม่ไม่ไม่อะไร ผมไม่มีปัญหาหรอกท่านบอกว่าท่านจะไม่พูดแล้วจะนั่งฟังหลวงพ่อหลวงพ่อแท้ใจเขาจะไม่พูดไม่เคยมีแต่แม่เจอเจอมีที่วันนี้มาสีมสิบกว่าปีแล้วไก่เคย่มีบรรยากาศแบบนี้ เป็นปกติมากจะให้ที่นี่เป็นที่นี่ธรวัะเช้าธรวมะเย็นธว่าะจบแล้วจดสงกทำสมาธิ ทำใจให้ไม่ต้องมีอะไรมาข้ามข้าจิตใจเวลาทำความสงบต้องไม่ต้องพูดต่างคนต่างสงบดูตัวเองเวลานั่งกำลังสอนตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นสอนเรดูแล้วเองนี้ิดนหน่อย ปล่อใจมันสงบแล้วแล้วก็แผ่เมตตาให้มันความสมกให้ใจที่มันดีๆไม่อยากได้ยินเสียงอัน่ดแล้วก็มแผ่เมตตาอลอบาจจากหัวใจที่บริสุทธิ์โปร่งแล้วก็ มันเกิดล่างบอบล่างบางออกจากคิวิจิตใจจริงๆให้มันเห็นธรรมะรู้จัาล่าํำตาบแล้วก็ฝังธรรมต่อไปมีผู้นำ็นระเบีย อันนี้คือปฏิบัติกันมาแล้วแล้วที่อยที่ไหนก็ตอบตรงที่ไหนก็ตอบต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามท่าและเรียบเทานั้นเพื่อจะไม่เกิดเกินอันนี้ก็ได้เกินมาแล้วอย่างนี้ก็มี้รื่องเรียบเลย เวลาทำบ้านก็เหมือนกับเราอยู่เฉพาะนหน้าภาคของพระพุทธเ จ, จ้าสั่ววอมกายวาจาใจอายพระพุทธเจ้าไม่ใช่อายใครไม่ใช่ใครอายคนอื่น พิเกินมาทำอลไรพูดเป็นมาหลัหว่าที่อยู่น้านข้างของเขาอ่เขาประมาณระวงังนี่เวลาทำวานสัวอ่อนใครจะเข้าถึงธรรมาได้มากน้อยอยู่กับตัวของทุกชีวิตเองไม่ใช่ส่วรวมเป็นปัจเจกบุคคลอาคอต่ามข ย, ยาม ที่จะจัดรรตัวเองในการมัเชิทีวันสารสนิิ้นเชฟอยทำเชิงร์ไล่ยังทำพ่อตองครูไม่สมมติบันใหญัที่ไหนต้องปฏิบัติเอา เรียกอมที่นั่โรคอันนี้บางท่านกเกิดเวลานี้ทุกกำลังปฏิบัติทงกรนขนมเศรษฐีสมาธิปัญญาของเพื่อนของมิตร ไปทําอะไรไม่พูดอะไรให้เป็นที่บกวนแสดงออกก็าเป็นแต่สินแต่ทำจะมาจับอางสืบทุกใจดานพุ่มปักุกตบที่ปที่จู ก, ก็ไม่เหมาะไม้ควรอนะที่ไม่ยอมรับวที่นั่นทำไม่ ไมอยากให้ทำแบบนั้นเสียวาจะสร้างความสมบูรณ์เกิดขึ้นแม่เต่ไอเตจากงก็ต้งางระวังเชิดตนองเชิดอระการได้นี้นะ นี่ก็มี้มาอยู่นี่มาก็สีสิบกว่วีกูไม่เห็นวนี่แปลกเออเผือจหน่อยนะวนนี่ก็สอนทำก็ะดาษวัสดุกันโอ้ได้ยินไหมเสียงก็ต้อจะมีเป็นวัดจันรุนแรงเปยสามสี่วัน มาได้ขึ้นรมวัดปฏิบัติธรรมก็คือดูแลตัวเองนี่แหละตัวเราก็มีกาใยใจปัญหาจะเกิดขึ้นก็ควรที่ดีการที่ใจไม่มีใครเห็นตัวเราเท่ากับตัว คนจะน่ต่งก็ไม่ทาไห้โชคที่มีสติเป็นเจ้าของคอยดูแลถ้าหวานบานนายถ้าวานตุยดูแลให้มันคุ้มมันมีหลายอย่างสิ่งที่เกิดขึ้น ก, กับการกัใจควาหลงก็มีาพอใจควาไม่พอใจ มีถ้าจิตแหบไม่ใช่ไม่ไปใช่ควารู้จึกตัวก็เปลี่ยนซะในสติเข้ไปถ้ามันหลงไปเปลี่ยนหลงให้ไม่ไม่หลงให้มันรู้เรียกว่าจะกพิ่มหลงเท่าเพมไม่หลงที่บอกความรู้ธรรมเล็กเล็กน้อยไป อย่าละทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ความถูกต้องใีความเห็นถูกต้องใีสติใีความรู้สึกะระลึกได้เป็นหลักใีสมมาทิ่ทิ สมาดีคือเกิดจากสติคือรู้สึ่งประเด็นได้มากแกมองเห็นอะไรถูกต้องอย่าไปจนอย่าไปทำตามมันแสดงได้ทุกอย่างชีวิตของเรานี่ บางทีก็ทําตามความหลงทำตามความผิดทำตาๆควาทุกข์าำตามความชั่วก็ทําได้สำเร็จถ้าไม่มีการดูแลตัวเองไ ม, ไม่หักไว้ห้ามแล้วก็ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อปัญหาเกิดกับตัวเองก็มีปัญหาเกิดกับสิ่งเดิมเมื่อตัวอื่น ใช่ชีวิตของเราชีวิตหนึ่งนี่ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้หลายอย่างเป็นความหกลงเกิดขึ้นจากอุคคลคนหนึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาแต่คนอีกหลายคนสองก่เกิดขึ้นจากทฤษฎีคนหนึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาต่อคนหลายคน แต่อกเทือนไปหลอยหย่นโลกเกิดขึ้นเดียวคนคหนึ่งก็เป็นคนกระทบกัหลายย่แค่เมื่อสองสวันมานี้เพื่อมีความโล้ความหลงเกิดขึ้นคนคนหนึ่งมาเอาพึ่งวัด กาไม่ทัวทาไม่อามารอบหนึ่ง้าไปเห็นนีไปกลนคืนกลับมาอีกเอาจนได้ตามควาชั่วจนได้พึ่งจนหมดปีกายนี้ก็มาเอาเกือบสามถิบลังเอาฟึ่งแล้ว เอาป่าด้วยเฮ้เขามาหลงเกิดเพื่าทำอะไรได้สมบูร็จไม่รู้จบผิดจบถูกเป็นไปได้เพราะนั่นเราเชื่อมันมีสติคอยดูแลตัวเองเนี่ยบางคนต้องดูแลตัวเองให้มันดีเหยื่อความผิดเป็นความถูกเหยื่หลงเป็นรูปให้ได้ ทุกคนเปลี่ยนอย่างนี้เราอยู่ร่วมกันก็นสงบร่วมเด่นเป็นปกติเกิดขึ้นเป็นสิเรีนร่อมที่ดีเราจึงมีวิธีวิวิชากรรมฐานปฏิบัติตามแบบฉบับหรือธรรมวินยัยวินัยนี่เหมือนเช่นได้ ร้อยดอกไม้ชีวิตของเราที่อยู่ที่นี่เหมือนดอกไ ม, ม้ต่างต้นตามตระกูลตางสีต่างจินลูกคนละพ่อลูกคนละแม่ตาเดรินิดใส้องอเส้นได้มาร้อย นี่เราไปทำน่ไหนี่สติแาะชั่วทาดีเหมือนกันังกิจในมบลิสุ์ประเ็นคนอันเดียวกันเหมือนกับเช้นได้สมัยก่อนสมัยต้นๆพุทธกาล การให้บสมบูรค์คนเราบุญเจ้าได้ให้อวาทเรื่างเอเหิตีคุเอเหิตีคุบุญสมบัติ์บอกว่าจงเป็นผู้ถูกเธอทำวิ่ไหนเราตัดไว้ดีแล้วจงปฏิบัติตามทําิ่้ไหนนั่นเิดให้เป็นที่ชื่นทุกเธอจะได้เป็นที่ทื่นทุก ปฏิบัติธรรมทว้ไนคือปฏิบัติตรมผมไมันหลถือว่าไม่ถูกปฏิบัติธมไม่หลปฏิบัติธรรมทำันมาพือการระหว่างความหลงแลความไม่หลงความทุกข์มาตุกความไม่ทุกข์ให้ปฏิบัติตามทาไว้ไว้ไหวิธีวิเไนยะนำไปสู่จุดหมายปลายทาง เหี้ยวะวีนัยว่าไม่หลงไม่ไปถึงไหนไปไม่ถึงคว t มไม่หลงไปถึงนี่ผู้ที่ถึงทับจะไม่ถึงทับผอ้ยังไม่แจ้งจะไม่แจ้งผู้ยังไม่บรรลุให้บรรลุ มันก็มีไม่มากคหลงกวนเก่าคนโวดกูอันเก่าคนทุกขกนเก่ามีไม่มากเปลี่ยนมันซะผู้ใดที่ยังไม่สําเร็จเป็นมรรคฐานก็ฝัติดวันจอมทำไไหนให้เป็นที่สิ้นทุกข์จอมหยัดเวรไม่เป็นที่สิ้ทุกข์จนผู้ใดเป็นมรรหานแล้วมาขอบวช พระพุเจ้าบอกว่าจำเป็นที่สมัยเกิดทำวินเราตัดไปแล้วจงบวชตามทำวินัยนั้นเถิดแม้ เ, เป็นพระอรหันต์ก็ปฏิบัติตามทาวินัยไมาใช่เหรอแต่ที่ถ้าผู้ที่ยังไม่เป็นพ้นทุกปฏิบัติตามทำวินใ ห, หน้เป็นที่สิ้นทุกเถิดก็มีท่านี้ มีสติเป็นทความชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์มีเจ้านี้เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งละความทั่ว์เป็นทั้งทำความดีเป็นทั้มั่งเห็นทุก พูดถูกคิดถูกทำถูกไปหมดเลยเป็นพวงไปเลยทำให้ไหนไปเป็นพวง t าเมื่อมีสติก็เห็ความเห็นถูกเห็นความหลงไม่ถูกความไหลงเป็นความถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกเห็นความไม่ทูกเป็นความถูกต้องด้วยเห็นสมมติที ปฏิบัติตามความถูกต้องมีวิธีการทําความทาตามความถูกต้องคถูกนั่งรี่ยวถูกอูเจาะถูกการงานถูกการเลี้ยงชีพก็ถูกการทำความเรียนความชอบก็ถูก กานตั้งสติก็ถูกกันตั้งใจก็ถูกไปหมดเลยในความเห็นที่ถูกไปหมดเลยเป็นพวงไปเลยเป็นเช่ดเป็นทางไปเลยมีสติก็ไปกันเป็นพวงไปเหยียบเช้นทางได้อย่างว่ามีสติไปในกายเ ป, ไปย็นประจามตั้งโต๊ที่นี้นะ กเห็นกันยู่มันออกมาแบบไหนเราก็เห็นคนอื่นไม่เห็นกายเราก็อยู่นี่เจ้าวไหนมาเ็กรู้สึกอยากมาใช้ถ้าเป็นลมหายใจก็อบบอนาาบมีลมหายใจเป็นู้สึกกายบะก็มีมาก สอัชชะบอบพัดมีมากน่าต่เราจะจับเอาวนหน่อยเราเป็นความรู้สึกได้ทั้งนั้นที่บอบกายถ้จิตบอบพัมีความคิดเกิดขึ้นก็ให้เองความรู้สึกความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนั่ น, น, นให้มีสองวัชชะให้มีจิตบอบพัมีความรู้สึกสว่ แต่ปลอยให้มันคิดอะไรไปตะพื้นตพื้นโดยเพราความคิดเนี่ยพาเป็นทุกข์ก็ได้พาเป็นสุขก็ได้เอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับความคิดพาให้เป็นสุขเป็นทุกข์หยุดไม่เป็นไม่หยัดคิดมาอยคิดคิดแล้ก็เป็นทุกข์คิดล้ก็เป็นสุ สองโผล่ั้งนั้นมันจริงไม่ใช่ตัวใช่ตนเราเสียเวลากับความคิดที่พาเป็นฉุกเป็นทุกข์ถูกหลอกกันมาเป็นกลับกันกันนานหลายโลกเหลือเกินเป็นแฉโลกล่าโลกสุขทุกข์เกิดจากความคิดไม่มีการเห็นหยุดไม่เป็นไม่เลือกการไมเลือกเวลา ถ้าจะมีกรรมฐานมีกรรมฐานคือที่ต้องกลับมาปฏิบัติปฏิคือกลับมาโต้ตอนี่สติโต้ตอบมันคือมันคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเรามีสติดูกายอยู่นี่มันกลับคิดไปโน่นกลับมาอยาให้ ที่ตั้งจะไปตามจะเข้าไปในความคิดทีก็ให้ับมาเรืองอติดติดถูกสอนความคิดถูกสอนความรู้สึกตัวมันใหญ่กวความคิดที่ไม่ตั้งใจมันไปไมได้แล้วก็มีมิตรที่ตั้งสามารถจะยักปบพระรู้สึก ใยเคลื่อนไห้อยู่นี่เป็นของกิเลสหองหนาปาบ า, ป า, ายใจเข้าหายออกอยู่นี้จะไปทคคิดคอา ค, ค, คิดสอิดเลยมันยึดนมาเรู้สึกตัวเป็นของเป็นกิตนั่นแหละความรู้สึกตัวเอ า, ดดดเอาิดดูิดเอาิตดูิดเข้าไปเลยเมื่อมันในมัน อย่าเลืกว่าเราเป็นคนเดียวเราจึงมีการต้ตกบทบท่วงได้เห็นักสองรอบสามรอบวันคิดทีไดรู้สึกตั ว, วความิดทีดรู้สึกตัวอาจจะหัวลถนควงคิดได้เงี้ยเงีได้นนไดได่น้อยไปเอาไปเอามาควาง่ายที่จะไม่ทิดไดาที่จะรู้ เลยก็ได้สอนมันเลยข้ามันรู้แล้วมันสอนตัวมันเองมันก็มีอยู่ในตัวมันเองไม่ว่าหนามยอดหนามมุงในความหลงหรือในความคิดก็มีความไม่หลงอย่างความคิดในความในความในจิตตัณเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าไม่มีที่ตั้ง ไม่ให้ค้าจลคืนไม่ใช่ตัวเช้ตนหน่ยนี่คือปฏิบัติทรงสอนลองดูไม่เป็นปั จ, จัดตังอยาให้เป็นอนดีตเป็นอนาคต พรุนี้ไม่มีมีอยู่แต่แว่าไมมีใครเห็นทําอะไรไม่ได้พรุ่งนี้ทําได้คือเหล๋วนี้คือปฏิจจตังเดี๋วนี้เปลี่ยนเดี๋วนี้มันหลง น, หนั่นแะจะได้ไม่หลงเอาใช้ความหลงเป็นคนรู้สึกตัวได้ันทุกจะได้ไม่ทุกมาป้องกันจน เสน่ยงก้าไปมันเกิดก็ไม่เกิดมันเจ็บก็ไม่เจ็บมันเจ็บก็ไม่เจ็บ ม, ม, มันตายก็ไม่ตายมันก็ไปถึงน่นก็เปียนหลงเป็นไม่หลงเปียนทุกข์เป็นไม่ทุกข์าเป็นคู่แบบนี้ที่ว่ากุศลหรือกุศลทางกายทางวาจาทางใจก็มีกุศลหรือกุศลสองอย่างนี้เท่านั้น ทำบาปเองก็ย่อมเศ้าของเองไม่ทำบาปเองก็ย่อมหมดจดเองการเศร้หองหรือความหมดจดเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะยังคนอยู่ในเศร้าหองหมดจดเป็นไปไม่ได้ตู้จึดเสียงเกียมตนอ่อยคนทิพย์เ็ดดาเป็นมาที่ใดก็หลงต้องเองนั้นก็ มันเปื่อนจริงๆอัะความหลงเนี่ยความโกรธความเปื้อนความทุกข์ความเพื่อนจริงๆมันก็เศ้าหมองอย่างริไม่ม่เป็นทุกข์ก็ไม่เศ้าหมองจริงๆสังผัรดูแล้วความถูกความผิดคชอบเป็นเชตนิลาเป็นปัจจตงของผู้พบเห็นไม่ต้องไปถานใคยไม่ทาบาปเองก็ไม่้าหมดจดเอง และคือหลงและคือทุกไม่มีหลงไม่มีทุกข์ก็หมดจดเองไม่เศร้าหมองเองเป็นบุญไปเองคือรู้รู้หลงทั้งไม่หลงเป็นไม่หลงนี่คือรวมรู้ไม่ใช่รู้โน่นรู้นี่จำโน่นจำนี่สําคัญมั่นหมายว่าเราเลิกพวกเขาเราดีพวกเขา สมคันมันหมายเ่เราเลวขวาเลวขาสดของเดีเาต้องสันมนหมายเราเสมอเขาขเราเมอเราไม่มีนี่แต่มาดูตัวเองกระสือล้นตรงนี้ประมาณไม่ได้มันหลงไมล่ไม่มีสมมติบัญญัติตรงนี้ เห็นผมจริงมาพร้อมกันตัวหลงนจริงพวกไม่หลงมันจริงตัวปวดมัจริงพวกมวดมัจริงวทุกัจริงมทุกัจริงมาให้เราเห็นชัดๆทได้กับมือทได้ปปิจตังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเหมือนกับปฏิบัติธรรมสัิรขยันตรงนี้สพ ก็ยันมันใช้ได้จริงๆความรู้สึกตัวร์เนี่ยความหลงมันใช่ไม่ได้จริงๆไม่เคยเห็นความหลงตัวเองไม่เคยเห็นความทุกตัวเองไม่เคยเห็นสิ่งที่ทำให้เกิดหลงมาเลยทีเดียวสิงใจที่ทําให้เกิดความหลให้เคยรู้จักก็หลงไปเลยทุกไปเลยปวดไปเลย ว่าไม่มีสติเพราะว่า ม, มีสติก็ก็เห็นเหตุนี้มันเกิดหลงคือมไม่รู้ทำเองไม่ว่าที่มันหลงเพราะไม่รู้มันได้ไปแย่อะไรที่ไหนเหตที่ไหนท่านมากมันใช่ไปแย่คนอื่นแต่กอนเราไปเอาคนอื่นเอาผิดเอาถูกจากคนอื่นที่อื่น ที่้โทษคนอื่นที่โทษจริงอื่นเขาทําให้เราหลงเขาทําให้เราโกหกเขาทําให้เราทุกข์เป็นเชนะ่นนั้นเหมือนหมาที่คนเอาไม้ไปเห ย, ยม่มันมันคิดว่าไม้มันก็ทําให้มันเปิดร้อนมันก็กัดไม้ลนงนมันไม่รู้จักว่าคือคนเอาไม้ไปเหยียมันเป็นหนิน ไปกัรทุกข์เป็ น, นทุกข ไ, ไปกัดไปเอาทุกข์เป็นตัวตน <c oughs> เหตุที่มันทุขมันเกิดจากความหลงเหตุที่มันหลงเพราะไปดรูก็กลับอยู่ตรงนี้มาทั้งเหตุมาทาั้าทางผเหทุปัจจยโยอรมานาปัจจยโยมมันมาจากเหตุต่ถือมันหลงตัวเนี้ย อาเลยพอตัวเดว่ะเนี่ยตัวลูกนี่เด้าว่าที่รู้จึงตัวนีงเด้เป็นที่เกิดชีวิตเป็นที่เกิดของถิ่ของต่ไม่ต้องไปสมัครธไม่ต้องมีพิธีอะไรหรอกพิธีคือคื อ, ค อ, คอตัวรู้จุดตัวเี้อทำอย่างไรให้มันมีความรู้จุดตัวป ขึ้นมาเอากายเอาใจหนี้มาเป็นวัสดุประกอหาได้มันยากเจ๋งเาาเป็นวัสดุปรกอผิดมรู้สกตัวขึ้นมาจำไปใช่เยเด๋หามาใหเราใช้จริงกายก็หดใจก็หลายก็มีตั้งหลายอยางตหายใจก็เป็นกายกรเคื่อไหวก็เป็นกายยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกาย ไอ้ใจ่เข้ามาเจก็เป็นกายคือเท่าไราก็เป็นกายเอามาเป็นวัชรุกคนรู้จึกตัวโอ้ยไม่จนเลยอ๋อไม่ยากเลยต่ทัวเราไม่ได้ใช้ให้งยึดเป็นปโจกตานที่มีอยู่เราเคว่าเห็นต้นต่อเรืเห็นทุกตัวเลทุกตัวเห็ได้ทุกตัว เ, เ, เห็นแล้ว รู้แล้วทำไปแล้วสิ่งที่ไม่รู้รู้แล้วแจ้งแลว้วนี่คือหลงนี่คือทุกข์แนก่นอนแย้งจริงหลอกไม่ได้ความหลงห ล, ลอกไม่ได้ความทุกข์หลอกไม่ได้ความโกรธหลกไม่ได้แย่งจริงสิ่งที่ยังไม่แจ้งทาไม่แจ้งสิ่งที่ไม่บรรลุทำไม้บรรลุสิ่งที่ไม่เห็นเห็น ถ้าทำได้มากแล้วมากแล้วหัวหลงใจรู้ที่ไหนมากที่สุดมากตรงที่ไปไม่เคยมากมันแรงมากอยู่กับควาความไม่หลงใจก่อนมากอยู่ความหลงแบบนีน้มากอยู่ความไม่หลงอยอะมักไปดูนะ ก, กัน ดูนดดน เ, นววเนี่ยได้หลับดูร้วัเห็นระวังนะตัวหนุกัสตรงนี้นะยิ้มได้ระ ว, วาเนะเหมือนคนขึ้นขึ้นหลังเขาได้ใจภูมิเร็วเห็นใจภูมิคือชีวิตของเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็จริงนะรู้โลกใ้พูนตรงนี้เหมือนเราอยู่ใ้ภูมนะิะไม่ใช่ใจภูมิตรงจังหวัดเองใจภูมิคือกายใจของเราเ รู้ว่าเ่ขึ้นอยู่บนชิงภูนะบะ่ถ้าเป็ น, นลำโพคได้ที่อยู่ที่มันโห็นสัตรูได้ง่ายมาเถอะอะไรที่เกิดขึ้นมีเท่านี้เห็นมาลันี่จะเห็นและะ้วว่บ่เห็นก็ไม่เป็นแล้วบะ่หายที่จดเจมันลูกโลก เห็นไม่เป็นเนี่ยทำลอยข้าศึกได้แล้วมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงทํารอยข้าศึกข้าศึกตัวหลงมากที่สุดเลยทํารอยตัวหลงได้ด้วยว่ากําลังคนไน้อยๆทำลอยข้าศึกได้มากถ้ า, ดดาว่าที่รู้จะตัว ด, ดูเนี่ยรู้เนี่ย แม่อย่ามทุกทีถ้าเป็นนักรบกียิงได้แม่ยิงได้ใจยิงได้ไหวไหวที่อยู่ตรงเนี้ยยิงได้แม่ยิงได้ไหวยิงได้ถูกไกลทั้งไกลทั้งไหวทั้งแม่เห็นหรือไม่มีคนตาบอดที่ดูเนี่ย เหมือนนักโลกเลยใั้สมอลภูมิที่ดีเลยไม่มีแพ้ไม่จะชนะดูมันเือนมันเรียกว่าใช้ภูมสองชีวิตบปใชยชนะที่ตั้มีที่ตัมีแจะพูดจะกรกับชนะเดาหวย ไม่เป็นอะไ ร, รยิง่งใหญ่อะไเป็นไรก็ไม่เจอไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกนี้นี้จะไปว่าชีตังไนได้ไงเห็นไหมไม่คิดเสียังนั้นอะไรชีตังไหนไม่เป็นอะไรกับอะไรชนะดาววอร์ ไม่เป็นอะไรกับอะไรเอ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับอะไรับแต่มันเกิดหรือไม่เป็นผู้เกิดมันแก่หรือไม่เป็นผู้แก่มันเจ็บหรือไม่เป็นผู้เจ็บมันตายหรือไม่เป็นผู้ตายอยู่ตุกไหนถูกตรงที่ไม่เป็นอะไรวเห็นมาหมดแล้วมันก็เช่อนั่นเองมันมีค่าอะไรไม่มีค่าอะไรร่มสุขไม่มีค่าอะไรความสุขไม่มีค่าอะไร จะเปรียบเทียบคงไม่เป็นอะไรไม่ได้อ๋ออะไรมาเปรียบเทียบมาได้สมมุติแท้ไม่เป็นอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรมาสมมุติแท้ได้เหนือจอดเขาบอกให้เป็นอะไรเนี่ยหนือโลกยังไงชีวิตเหนือโลกนะไม่มีอะไรมาสมมุติแทได้แต่สมมุติแท้เราให้ช่งไม่ได้ในภาวะชีวิตที่ไม่เป็นอะไรเนี้ย เด็กผิวเผินคิดทุกขไปเกิดแต่กรอมันยิ่งใหญ่อดเหนือยยิ่งใหญ่ต้องหลงไปยิ่งใหญ่เมื่อมีความหลมเกิดกรรมฆาตปฏิฆามานักทีติไปหาความทุกข์ก็ยิ่งใหญ่ไม่มีได้เกิดขึ้นมิจะทุกข์เพิ่เกิดขึ้นมิจะทุกข์เพิ่มต้งอยู่มีแต่ทุกข์เพ้งดับไปคือเพราะว่าไม่เป็นอะไร อย่านี้นะปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปอ้อนเด่นอย่าไปแกลเด่นอย่าไปโทษสิ่งอื่นถเถอเวกเร า, าให้มันแห่ตรงนี้คนอื่นจะเป็นยังไงให้เป็นเย่างคนอื่ออนไปแต่ว่าพ่อต้องช่วยกันบ้างให้เกิดความสงบให้เกิดความสะดวกเกี่ยวกปฏิบัติหนึ่ง ส, บสงบสสะดวก ให้เกิดขึ้นให้ได้วิธีใดที่จะจับวัแก่เพื่อนเกิตไม่อย่ารบกวนกันอยากทะว่ า, ากันอยาาขัดแย้งกันให้มาดูแลเพื่ให้มากถ้าไปอ้นอื่นจึงเงินมากกําหนดมันมันหวงกันไปโทษเพื่อนโทษนีไ้ไปโทษสิงต่ตางๆเอาคิดเอาถูก เป็นอัตตคปิมฐานิโภคคิดก็เป็นความไม่ชอบทุกเป็นความชอบเป็นอัตถาิมฐานิโภคความโกรธความทุกข์อนนี้เป็นอัตถาปิมัฏฐานิยโทรมานตนโอมหลงเป็นการทรมานตนหลวงหลงในความคิดเป็นการทรมานตนทรมานตนบางทีทำห้ถอนไมหนด้ทำไมป้อาหลงข้องหลาม เนการทรมานตนทาไม่ได้เด็ดขาดทบไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> เด็ดขาดทีเดียวต้องเด็ดขาดนะไม่หลงเด็ดรับไม่ทุกเด็ดรับไม่โคตเด็ดขาดมันต้องเด็ดขาดนะสิเหล่านี้นะถ้าไม่เด็ดขาดกาไม่ถึงมากุญญพันธ์นะจะไปอะไร บางทียังมีรสชาตินะความโกรธยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ติมม ด, ดขาดนี่เรียกว่าผู้จะไปสู่มอกสู่ผลต้องเป็นเด็ดขาดกับทีเหล่านี้ให้ได้วรวมหลงติดขาดไปเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นนะ้ววันหลายวันก็สองคนเจอเวลา さあ、帰ってきた。